ใบไม้ช่วยดูก่อนนะใบไม้ระยะนี้ใบไม้มันเก ล, ลังใบไม้ว่าแต่มันรกเนี่ยตอนไหนมันรกเนี่ยเอาเลยกวาดเลยตกลงมาอีกกวาดอีกตกลงมาอีกกวาดอีกรวยดิฟัดเราเนะีรวยรวยใบยไม้เนี่ยมีอนิี้สองนะทงความสา ตากปัดบริเวณวัดกลางคืนค่ำกลางคืนให้มันสะอาดเรียบเทวดาก็ลงมาสังตรวจตรวจ ด, ดูได้ตอนค่ำเนี่ยตอนค่ำเนี่ยปัดทำให้สะอาดเรียบกลางคืนเราเดินดูก็เรียบ จิตใจช่ำชื่นชุ่มมันเกื้อกูลกันตัวเกื้อกูลกับจิตใจเราทําด้วยเห็นว่าเป็นข้อวัดไม่ใช่ทําด้วยจําเป็นจําใจจําเป็นจําใจแท้ที่จริงข้อวัดก็คือของจําเป็นจําใจที่ครูบาอาจารย์ท่านบางังคับให้ทำนั่นแหละ บรเจ้าท่านบังคับให้ทํานั่นแหละขอวัดิตั้งหลายเนี่ยท่านมีเพื่อบังคับให้ทํานั่นแหละไม่ใช่ทําเปล่าทํามีผลมีอานิสงส์โยมีไว้ให้ใช้มีไว้ให้ทํามีมีไว้ให้เราทําไม่ใช่มีไว้ให้เราเบื่อหน่ายเพราะสิ่งเหล่านี้เกื้อกูล ทำต้องใจทำภาวนาอยู่นั่นแหละดีใจพอใจฉันทะพอใจทำอยู่นั่นแหละพอใจพอใจทำข้อวัดข้อวัดแค่ทำความสะอาดนะ <c oughs> เกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องทำให้มันสะอาดองความสะอาดอยู่กุิก็ทำให้มันสะอาดบริเวณบริเวณกุิ ก็ให้มันสะอาดทางยิงกลมทางหนทางเข้าไปกติกุฏักงก็ให้มันสะอาดเราทำให้สะอาดโล่งหมดโอ้ขวาเราไม่บกพร่องเนาะมีขวัดข้างนอกจากนั้นแล้วก็ไปทำขวัดข้างในภาวนาเดินจงกรมก็สบายโล่ลงดูตรงไนก็นโล่งเราทำสะอาดมาด้ ในความสะอาดที่เราทํานั่นแหะมันมีความสะอาดด้วยแล้วเราได้ใช้ความเพียรความพยายามของเราด้วยอใช้ความอดใช้ความทนด้วยยิ่งบริกรรมภาวนาได้ทุกริยะที่เราทําความสะอาดด้วยแล้วเนี่ยมันได้ทั้งความเพียรข้างในทั้งข้างนอกทั้งข้างในปัดไปเรื่อยไม่ทิ้งข้อวัดข้างในภาวนาไปเรื่อย พุโธพุทโ ส, สบายด้วยความพอใจไม่รีบไม่เร่งไม่ด่วนไม่อะไรใดทำแบบพอใจที่สุดเห็นความสกปรกเป็นเรื่องขัดข้องในหัวใจไปทำให้มันสะอาดสา้วมันเช่มชื้นหัวใจเราเราจะเห็นว่าความสะอาดมันมีตรงไหนนั่นแหละ ผลงานของเราความพยายามของเราเพื่อค่อยๆแค่แค่เคลีย์ๆตรงไหนให้มันลุดให้มันสะอาดเป็นผลงานของเราใช้ความพยายามใช้ความอดใช้ความทนอย่าไปใช่อารมณ์ไม่ถูกใจไม่พอใจมอออโมโหโถโสคิดว่าเจ้าของทําอยู่คนเดียวไม่ใช่ใครทําใครได้ ท่านทำก็ท่านทำไปเราทำก็เราทำท่านทำก็เราท่านทำใครไม่ทำก็ขาดข้อัดใครไม่ทำก็เสียเปรียบเสียเปรียบเขาเสียเปรียบกิเลสอะไเสียเปรียบหมูด้วยเสียเปรียบกิเลสอีกด้วยเสียเปรียบแบบนี้น่ายอมเสียเปรียบเหรอเฮ้ยแบบนี้เรายอมเสียเปรียบดีกว่าน่า ยิ่งเสียเปรียบบวกทวีเข้าไปอีกอะ่ะอ น, น้ลองไปกับกิเลสกิเกียร์กิคร้านของตัวเองฝึกตัวเองให้ฉลาดฝึกตัวเองให้ใ ห, ให้ขยันได้ความขยันข้างนอกพืที่จะย้อนพืที่จะย้อนมาหาสู่ความขยันข้างในเดินยกรบนั่งภาวนาน มันไปจากขณะจิตแต่ละขณะแต่ละขณะหนยขยันเข้าไปทำเข้าไปปาดตรงไหนเลือนเข้าไปดูไปทั่วๆไม่ใช่เคยปัดแต่ตรงไหนก็ปัดแต่ตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่อื่นบางทีคนอื่นเขาติดทราระอย่างอื่นไม่ได้มาทำก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นทำสับกันไปตรงนั้นบงังตรงนี้บาง ตองนั้นยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็มาช่วยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จก็มาช่วยตรงนั้นอย่าไปคิดเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบใครคิดเรื่องเหล่านั้นคนนั้นจะเริ่มเสียเปรียบแล้วจะเริ่มเพ่งเล็งมูทำาแตรเราเราทำคนเดียวเราจะเป็นจะตายมันไม่มีดอกคนอื่นเขาทาเรี่ยวแรงของไขรของของเราผลงานของไข่ของเรา ฝากทองของไขรของเราหัวใจคุณงามความดีของใครของเราอย่าไปคิดเอาเปรียบเสียเปรียบได้เปรียบกันพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันต่างคนต่างไม่ดูดายต่างคนต่างขนไายมันก็ทําให้เราเบา งานที่เราคิดว่ามันมากมันก็จะเป็นงานน้อยเพราะเราช่วยกันเราคิดว่ามันจะหนักมันเกิดความรู้สึกว่ามันมากมันทำเสร็จช้าน่งมันหนักรู้สึกว่ามันหนักมันก็จะเบาเอาตรงนั้นจับตรงนั้นเอาตรงนี้จับตรงนี้อ้าวแล้วแล้วเสร็จแล้วแป๊บเดียวแต่ระวังนะไปเดินแบกแต่แบกแต่ตาตามเขานะออกก็ออกที่หลังเขา ไปกไอ้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเขาปัดเสร็จแล้วตรงนี้เขาปัดเสร็จแล้วเดินแบกต า, ตามเขาอ่ะไม่ทันเขาอ่ะก็อยู่กันอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่ารุ่นไหนครูบาอาจารย์องไหนทั้งก็อยู่ด้วยการฝึกฝนอบรมเอาความขี้เกียจขี้คลานออก เอาสติเอาปัญญาเจดจอเพืเกิดแง่มุมที่ฉลาดขึ้นทําไงจะชนะความขี้เกียจความขี้เกียจเนะี่ยเป็นยอดของกิเลส น, นะเป็นศัตรูตัวที่ร้ายกาศต่อมรักผลทีผ่านนะความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นยอดของกิเลสและแล้วขี้เกียจปั๊บกรทิ้งหมดแหละ ตกโรกช่างมันรอกช่างมันไม่เสร็จช่างมันรักเกระกะช่างมันไม่น่าดูช่างมันเอาแต่ช่างมันช่างมันเข้าว่านั่นเอาความขี้เกียจไปตัดสินใจเป็นอย่างนั้นอะไรก็ไม่เสร็จอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ทันไม่ทันกีเรนรนั่นแหละนั่นมันเหยียบหัวใจแล้ว โกสัจฉะโกสัจะความเกลียดคร้านโกสัจังเป็นศัตรูตัวร้ายกาศ ก็สัจจังกสัจจะมันขีเนข้เกียจจนขี้เกียจดำริดูเวลาเราดำดำริยกสติขึ้นมาเข้าประกอบองค์ภาวนารู้มันขยันมันขี้เกียจไหมยกพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ถ้าลอเผลอสันหน่อยมันขี้เกียจมันก็ป ล, ปล่อยปล่อยทิ้งแล้วก็หายจักหายเงียบไปไหนแล้วเหมือนทํางาน่ะ ท, ทำทำทำแล้วก็ปล่อยทิ้งไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะสังเกต ด, ดูกันแล้วกันนะเวลาเราภาวนานต้องดับรีทอเนื่องดําริด้วยความพออกพอใจหุดโถ ทำอย่างมีรวดลายสงา่าสงบสงี่ยมมั่นใจในผลที่เราทําอย่างต่อเนื่องพุโทธโทธพุธโทโธพุทโธพุทโธงานนี้เป็นงานที่เราทําทําทําไม่จบทําไม่จบทําเรื่อยๆฝึกหัดเรื่อยๆทําไม่จบต ร, บราบใดที่กิเลสไม่หมดคือไม่จบ ทำจนจบทำจนหมดตราบใดที่ไม่หมดก็คือไม่จบทำเพื่อเพิ่มพลังเพิ่มพลังให้ความสงบให้จิตสงบนอกจากเพิ่มพลังสงบแล้วเพิ่มพลังของปัญญาดูปัญญาเราเกิดไหมมีปัญญาอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในขณะที่เราใช้แง่กลอบายมาพินิษ์พิจารณาแง่มุมต่างๆที่เราภาวนาน มิวบายแผลว่าอะไรที่จะมัเป็นเคล็ดลับเป็นอะไรอะไรให้เกิดขึ้นเป็นที่พอใจกับเราบ้างไหมวันนี้ได้อะไรบ้างวันก่นล่วงมาได้อะไรบ้างนั่งคราวนี้ได้อะไรบ้างนั่งคราวนี้ได้อะไรบ้งรางพอที่จะได้จับเป็นมักจับต่อเนื่องไปเพื่อให้เป็นผลเพิ่มคราวคราวครังหน้าอีก ให้ได้อบายให้ได้วิธีให้ได้ความฉลาดทําอยู่เนี่ยตราบใดที่ไม่ได้ก็คือยังมืดตึ๊บอยู่นั่นแหละพอจะเริ่มได้เริ่มแผลวพราวเริ่มอะไรรู้สึกว่ส่องลงไปตรงไหนก็ย่อนลงไปตรงไห น, นมันก็ซึ่งย่อนลงไปตรงไห น, นมันก็ซึ่เออมันรู้สึกว่าจะกระยิมยิ้มย่องให้กับตัวเองเบาอกเบาใจสบายโปร่งโล่เอาไปใส่กัอะไรก็ทะลุทะลุ ลุแบบเราทะลุแบบท่านทะลุยังไงก็ให้มันทะลุไปเถอะขัดอย่างเงี้สีอย่างนี้ถูไทยอยู่อย่างงี้คบอย่างนี้เจาะ อ, อย่างเงี้ยทะลุทะลวงอย่างนี้แหละความดีการสะจสงความดีถ้าทิ้งความขยันความหมันมันก็เมืันก็เราทิ้ง ถึงการพยายามสร้างเหตุเหตุไม่ถึงเหตุไม่พอเหตุไม่ถึงเหตุไม่พอผลที่จะพึงได้พึงถึงมันก็ไม่มีไม่เกิดไม่เป็นแล้วก็จะร้องให้ใครช่วยไม่มีใครช่วยจใจเทวดาที่ไหนมาช่วยเขาก็ไม่มาอืมเทวดาก็ทุบพอเทวดาล่ะ เราก็ทุกพอเราเทวดาก็ทุกพอเทวดาใครจะไปช่วยใครสิ่งเหล่านี้ต้องทูไถเป็นเองทูไ ถ, ถด้วยตัวเองทูถ่ถยเป็นเองมันไม่งั้นไม่เกิดไม่เป็นขออัตติอัตโนโนาโถตูสาพยายาม ต้องอดต้องทนสติกำหนดจดจอต่อเนื่องขันติความอดทนตะปะ ร, รมแผดเผาเข้าไปตะปะรรทำแผลเผาความเพียรพยายามนะแผลเผาเข้าไปต ะ, ปะธรทำต ะ, ะธะทำเป็นตะปะทำต่อปต่ป ตัวความเพียรนี่แหละเปรียบเสมือนไฟเผาไฟล้นไฟเผ า, ไ ฟ, ไ, ฟเผาไฟหนึ่ง<อ>ไฟอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กิเลสในใจมันเหือดมันแห้งไป<อ>ภาวนาวายามะพยายามปิตุปะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในขณะเดียวกันกับเป็นการเสริมผลเก่าด้วย ผลเก่าที่เคยมียิ่ง ท, ท, ทําไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มยิ่งเสริมยิ่งเสริมให้แก่ให้กล้าให้ำนิช้ำนานในขณะเดียวกันกิเลสใหม่ที่มันจะพึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราเผลอมันก็ไม่มีเพราะเราดํารงสติตลอดเป็นสังวรประทานเป็นประหารประทานไปในตัวนี่ตปะปาทมวิธีการทํางาน ทำอย่างเดียวได้สองสามอย่างสี่อย่างพร้อมกันแค่เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธให้มอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยใจสงบมันก็เพิ่มความสงบไปในตัวเพิ่มความสงบไปในตัวเป็นอนุรักษนาประธานเป็นสังวรประธานกิเลสใหม่ไม่เกิด เป็นอาหานประท า, านกิเลสเก่าที่เคยมีมันก็ค่อยเหือดค่อยคอยเหือดไปค่อยคอยแห้งไปสรุปลงมาอันเดียวภาวนาเนี่ยทำอันเดียวได้สองสามอย่างสี่อย่างไปในขณะเดียวกันได้อะไรอีกได้ขันติได้ขันติธรรมได้อะไรอีกได้สติธรรมได้โสระได้สติธรรมได้สัมชัญญะธรรม ได้ฮิริธรรมได้อุตตปาฐธรรมได้ขันติธรรมได้โสรจัธรรมขันติความอดทนโสรจสสงงัสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมตล่ำอยู่ในอารมณ์นั่นแหละไม่มันกระจายไม่ให้มันฟุง้งสงบส ง, งี่มอยู่ในนั้นรวมลงแล้วได้สมาธิธรรมเนี่ยได้สมาธิธรรม ได้คุณสมบัติให้ให้กับหัวใจของเราสมาธิธรรมก็เป็นคุณสมบัติในใจของเราก็เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างดังนี้จากนั้นแล้วก็เป็นเหตุหนุนเพื่อปัญญาสอดส่องดูแลเพราะจะเห็นหน่าเห็นหลังเห็นเงาเห็นอะไรมันอยู่บ้าง พอจะจับพอจะเกาะพอจะติดมีความคมอยู่บ้างถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะเอาอะไรมาขมจับแล้วก็หลุดไปจับแล้วก็หลุดจับแล้วก็หลุดฟันอะไรก็ไม่ขาดฟันอะไรก็ไม่ขาดทําอะไรก็สักแต่ว่าทํามันไม่ถึงใจไม่ถึงจิตไม่ถึงใจไม่ถึงอารมณ์เกาะไม่ติดเหมือนั้นแต่เกาะหลุดเกาะหลุดเกาะหลุดมันไม่ขม ทําคมทําคมสงบมากก็คมมากสงบน้อยก็ขมน้อยสงบมากก็ขบเจาะได้มากขบเจาะได้ง่ายขบเจาะได้มากสงบน้อยก็ขบเจาะได้น้อยขบเจาะไม่ได้เลยฟันไม่ขาดเจาะไม่ขาดมือนก็สิวที่มันไม่ขมตีจนหัวบานหมดละมันไม่ยอมเข้า บานไปบานมาเบื่อหนายรำคาญเลือกดีกว่ายุดดีกว่าดีกว่าของกิเลสไม่ใช่ดีกว่าของธรรมดีกว่าของกิเลสมันจะได้อะไรทําจนจะเป็นจะตายยังไม่ได้หยุดดีกว่าแล้วมันจะไม่ได้อะไรดีกว่าแต่กิเลสนั่นแหละกิเลสเอาไปกิน อ๋อพอสมควรเลยเนาะวันนี้เนาะ